บุคคลไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาบอย่างไรบอกว่าภิกษุในพระธรรมวิไนนี้ไม่โกรธไม่ขัดเคืองไม่แค้นใจไม่ทําความโกรธความขัดเคืองและความไม่ยินดีให้ปรากฏว่าเราเนี่ยไม่ได้สกุลไม่ได้คณะไม่ได้อาวาดไม่ได้ลาบไม่ได้ยศไม่ได้สรรเสริญไม่ได้จีวนไม่ได้วินธบัตไม่ได้เสนาสนะไม่ได้ขีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารไม่ได้บุคคลเป็นผู้รักษาภิกษุไข่เนี่ยนะขีฬานุปถากอะ เราเป็นผู้ไม่มีชื่อเสียงว่าโอเรานี่ไม่ดังกับเขาเลยอย่างเงี้ยบุคคลย่อมไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาบเป็นต้นะนะคือไม่ได้ลาบไม่ได้ไม่ได้โลกธรรมฝ่ายดีนะไม่ได้ปัจจัยสี่เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเชื่อว่าไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาบแล้วก็ไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาบนเพราะอะไรเพราะมีจุดปุ่งหมายที่ชัดเจนใช่ไหศึกษาปฏิบัติตามธรรมนัยเพื่อดับขันปรินิพาน ไม่ไดนะ้ต้องการปรารถนามาแสวงหาปัจจัยส ouais. ี่ไม่ได้มาแสวงหาลาบสักการะสรรเสริญยศสุขอะไรคำว่าความโกรธเนี่นะคำว่าโกรธก็คือความปองร้ายความมุ่งร้ายความขุนเคืองความแค้นเคืองความเคืองทั่วเคืองเสมอความชังชังทั่วชังเสมอความพยาบาทแห่งจิตความปัทุสลายในใจความโกรธกิริยาที่โกรธความเป็นผู้โกรธความชังกิริยาที่ชังความเป็นผู้ชังความพยาบาทกิริยาที่พยาบาท ความเป็นผู้พยาบาทความพิโรธความพิโรธตอบความเป็นผู้ปทุสรายความเพาะวาจาชั่วความไม่แช่มชื่นแห่งจิตนี้เรียกว่าความพิโรธพิโรธพิโรธส่วนความพิโรธนั้นอันบุคคลใดละตัดขาดสงบประงับแล้วทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสรยจแล้วด้วยไฟคือยานบุคคลนั้นเรียกว่าผู้ไม่พิโรธนี่นะคือไม่โกรธก็โกรธนั่นเองนะเพมีหลายศัพท์นะหลายชื่อด้วยกันก็คือโกรธนั่นแหละ อนี่ยนะจะพระเพลิงพิโรธอย่างเงี้ยนะเนาะเผาเกลี้ยงหมดอนะต่อไปนะก็ไม่ติดใจในรสเพราะตัณหาก็คำว่าตัณหาก่อนนะตัณหาได้แก่ตัณหาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโภภาพธพภะและธรรมรมชื่อว่าตัณหาเนี่ยนะนะที่ชื่อว่ารสรสก็คืออะไรรสที่เกิดจากรากที่เกิดจากลําต้นเกิดที่เปลือกเกิดที่ใบรสที่เกิดที่ดอกรสที่ผลอนะนะก็คือรสเนะี่ยรสที่รากรสอะไรบ้าง อ่านะต้องอาศัยรากเอามากินรากอย่างเดียวนะนอนะพวกชะเอนเนี่ยนะรสที่เกิดจากลําต้นอ่ะนะอ้อยรสที่เกิดที่เปลือกอะไรกินเปลือกอย่างเดียวผักที่กินเปลือกเป็นต้นเนี่ยนะนมีมีรสที่เกิดจากใบก็กินผักทั้งหลายอะ่ะที่กินใบอะ่ะรสที่ดอกอะ่ะเช่นดอกแคเนะียก็กินดอกรสที่ผลก็ผ ล, ลไม้ทุกชนิดที่กินกันอะ่ะรสเปรี้ยว รสหวานรสขมรสเผ็ดเผ็ดร้อนเนี่ยนะรสเค็มรสปลารสเฝื่อนรสฝาดรสอร่อยรสไม่อร่อยรสเย็นรสร้อนมีสมณพราหมณ์บางพวกติดใจในรสสมณพราหมณ์พวกนั้นเที่ยวแสวงหารสอันเลิศด้วยปลายลิ้นได้รสเปรี้ยก็แสวงหารสไม่เปรี้ยวได้รสไม่เปรี้ยวก็แสวงหารสเปรี้ยวติดในรสมากนะต้องเปรี้ยวหน่อยนะพอได้เปรี้ยวก็ไม่เอาละเอา มีผักบางอย่างกินเปลือกเอาเนี่ยนะรูดเอาแต่เปลือกกันะได้รสหวานก็ไม่ก็แสวงหารสไม่หวานได้รสไม่หวานก็แสวงหารสหวานได้รสขมก็แสวงหารสไม่ขมได้รสไม่ขมก็แสวงหารสขมได้รสเผ็ดร้อนก็แสวงหารสไม่เผ็ดร้อนได้รสไม่เผ็ดร้อนก็แสวงหารสเผ็ดร้อนได้รสเค็มก็แสวงหารสไม่เค็มได้รสไม่เค็มก็แสวงหารสเค็มได้รสปลา ก็สแสวง Tim, หารถไม่ปลาได้รถไม่ปลาก็แสวงหารถปลารถปลาไมรูมันเป็นยังไงเมื่อไม่รถปลาไม่ใช่ปลานะรางว่าได้รถปลาก็แสวงหารถไม่ปลาอืมอันนี้ก็รถปลาอืมอันนี้กินพิลึกพิลึกหน่อนะรถพิลึกพิลึกน่อะมันไม่เหมือนชาวบ้านทั้เม <So S 1> ืองกันะ <temas S 1> <em> ไม่หวานไม่ขมไม่เผ็ดไม่ฝาดไม่เฝื่อนไม่เปรี้ยวไม่อะไรสักอย่างอ่ะนะเรียกว่ารสปลาเรียกว่าได้รสเฝื่อนก็แสวงหารสฝาดได้รสฝาดก็แสวงหารสเฝื่อนได้รสอร่อยก็แสวงหารสไม่ 8, nah อร่อยได้รสไม่อร Whoops, ่อยก็แสวงหารสอร่อยได้รสเย็นก็แสวงหารรสร้อนได้รสร้อนก็แสวงหารรสเย็นอ่ะนะเขาเอาน้ำร้อนมาถวายก็จะเอาน้ำเย็นพอเอาน้าเย็นมาให้ก็จะเอาน้ำร้อนเน่ยลักษณะเนี่ย สมณะพราหมณ์นั้นได้รถใดๆแล้วย่อมไม่ยินดีด้วยรถนั้ น, น, นย่อมสแสวงหารถอื่นๆไปอีกเรียกว่าเปะผู้กำนัดปรารถนายินดีติดใจลุ่มหลงเกี่ยวข้องพัวพันุ์ในรถที่ชอบใจเนี่ยนะโอ้ยติดในเรื่องรถตันหาในรถอันบุคคลใดละขาดสงบระงับแล้วทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียจแล้วด้วยไฟคือยานบุคคลนั้นพิจารณาด้วยปัญญาย่อมฉันอาหารเนี่ยนะผู้ที่ไม่ติดในรถก็คือผู้ที่ปัจเจกแล้วก็ฉันอาหารว่า ไม่ใช่ฉันเพื่อเล่นไม่ได้กินเพื่อไปเล่นกีฬาไรรึลาไม่ฉันเพื่อมัวเมาอ่ะนะเมาด้วยความเป็นบรุษเนี่ยนะไม่ได้ฉันเพื่อตกแต่งให้สวยงามเหมือนสาวชาววังก็ไม่ได้ฉันเพื่อประดับให้เนื้อหนังมังสมันล่าเหมือนนักมวยแต่ว่าฉันเพื่อความดำรงอยู่แห่งร่างกายอันเนี้ยที่ประชุมแห่งหมาปูตรูปสีนี่แหละ เพื่อให้ร่างกายที่ประชุมด้วยมหาภูตรูปสีนี้เป็นไปเพื่อกำจัดความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์คือศีลสมาธิปัญญาด้วยมนุสิการว่าเราจะบำบัดเวทนาเก่าเสียไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปความเป็นผู้ไม่มีโทษความเป็นอยู่สบายของเราเนี่ยจะมีด้วยอาการอย่างนี้คนทาแผลเพื่อจะบ่มผิวคนหยอดน้ามันเพลาเกลียเพื่อจะขนภาระ คนกินเนื้อบุรเป็นอาหารเพื่อต้องการออกจากทางกันดานอย่างเดียวเท่านั้นฉันใดภิสูจพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็พึงฉันอาหารก็ฉันนั้นไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อมัวเมาไม่ฉันเพื่อตกแตง่งไม่ฉันเพื่อประดับแต่ว่าฉันเพื่อความดำรงอยู่แห่งกายนี้เพื่อให้ร่างกายนี้เป็นไปเพื่อกำจัดความลำบากเพื่ออนุเคราะห์แก่พรหมจา ร, รย์อย่างเดียวเท่านั้นด้วยคิดว่า เราจักบำบัดเวทนาเก่าเสียจากไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปความเป็นผู้ไม่มีโทษความอยู่สบายของเราจากมีด้วยอุบายดังนี้ย่อมละบรรเทาทำให้สิ้นซึ่งระสะตัญหาให้ถึงความไม่มีในภายหลังเป็นผู้งดเวน้นเว้นขาดออกสลัดผลขาดไม่เกี่ยวข้องด้วยระสะตันหาเรียก ว, ว่าเป็นผู้ปราศจากเขตแดนอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่พิโรธไม่ติดใจในรถเพราะตันหา เพราะฉะนั้นสรุปคาถาที่ว่าบุคคลไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาบไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาบเป็นผู้ไม่พิโรธคือไม่โกรธนะนะไม่ติดใจในรถเพราะตันหาเนี่ยนะคือไม่ได้ติดใจในตันหาสแสวงหารถนะนะคาถาต่อไปว่าบุคคลเป็นผู้มีอุเบกขามีสติทุกเมื่อไม่สำคัญว่าเสมอเขา ไม่สาคัญว่าดีกว่าเขาไม่สาคัญว่าต่ำกว่าเขาในโลกกิเลสอันหนาทั้งหลายย่อมไม่มีแก่บุคคล น, นั้นนะว่าโดยสรุปก็คือผู้ที่มีอุเบกขามีสติไม่มีมานะไม่มีกิเลสหนาก็เน้นที่คุณธรรมของพระอรหันต์เนี่ยนะอธิบายว่าผู้มีอุเบกขามีอุเบกขาก็คือมีเป็นผู้มีอุเบกขาประกอบด้วยองค์ห คือฉลังคู่เปกขาอันนี้หมายถึงมหากิริยาเนี่ยนะกล่าวคือเห็นรูปด้วยจักสุแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจวางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ได้ยินเสียงด้วยหูสูดดมกลิ่นด้วยจมูกริมรสด้วยลิ้นถูกต้องโภธาภาด้วยกายหรือแจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจวางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่เห็นรูปที่ชอบใจด้วยจักสุแล้วย่อมไม่ติดใจไม่ยินดีไม่ให้ราคาเกิด กายของบุคคล น, นั้นตั้งอยู่ไม่หวั่นไหวจิตก็ตั้งอยู่ดำรงดีอยู่ในภายในพ้นวิเศษแล้วอันหนึง่งเห็นรูปที่ไม่ชอบใจด้วยจักสุก็ไม่เสียใจยไม่กโกรธไม่หดหูไม่พยาบาทกายของบุคคล น, นั้นตั้งอยู่จิตก็ตั้งอยู่ดำรงดีอยู่ในภายในพ้นวิเศษดีแล้วเห็นรูปในภายในใจ เ, เห็นรูปที่สวยก็ใจสงบ เ, เห็นรูปที่น่าชังก็ ใจสงบได้นั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้มีอุเบกขาอย่างแท้จริงได้ยินเสียงที่ชอบใจด้วยหูสูบดมกลิ่นที่ชอบใจด้วยจมูกลิ้นรบที่ชอบใจด้วยลิ้นถูกต้องโพธาะที่ชอบใจด้วยกายรู้แจ้งโผทธรรมรมที่น่าชอบใจด้วยใจแล้วก็ไม่ติดไม่ยินดีไม่ให้ราคะเกิดกายของบุคคล น, นั้นตั้งอยู่จิตก็ตั้งอยู่ดำรงดีอยู่ในภายในพ้นวิเศษดีแล้ว รู้แจ้งเสียงที่ไม่น่าพอใจกลิ่นที่ไม่น่าพอใจรสที่ไม่น่าพอใจพอธภาที่ไม่น่าพอใจรู้รู้ธรรมอรมณ์ที่ไม่ชอบใจด้วยใจแล้วก็ไม่เสียใจไม่โกรธไม่หดหูไม่พยาบาทกายของบุคคลนั้นตั้งอยู่จิตก็ตั้งอยู่ดำรงดีอยู่ในภายในพ้นวิเศษดีแล้วเห็นรูปด้วยจักูุแล้วกายของบุคคลนั้นอ่ะตั้งใช้อยู่ในรูปที่ชอบใจและไม่ชอบใจ เห็นรูปสวยๆแล้วใจก็เฉยเห็นรูปที่น่าเกลียดก็เฉยอีกนะนะก็แสดงว่าแจ๋วนี่ยนะแล้วจริงๆเป็นอย่างงั้นไหมล่ะเอ้าบางคนนะเขาาพยายามทําตัวเฉยๆใช่ไหมมันเฉยไม่จริงอ่ะดิถ้าเฉยจริงก็คือเฉยด้วยปัญญาเนี่ยนะคือคิดยังไงรูปที่น่าพอใจเสียงที่น่าพอใจเป็นต้นเนี่ยใจก็เหมือนเดิมเอ่ะที่น่ารังเกียจเกลียดชังที่สุดเนี่ยนะก็ยังเฉยอีกสมมติว่าผ้าหั่นเนี่ยนะสมมติองค์ะ้าหั่นเลยว่า มีคนบอกว่าท่านข้าพเจ้าจะให้ชีวิตท่านอยู่อีกสามปีอันนั้นอีกคนนึงบอกข้าพเจ้าจะเอาชีวิตท่านในวันนี้ท่านฟังแล้วเท่าเดิมนี่นะไม่ต่างกันในในสองเสียงอ่ะนะเสียงของคนที่จะเอามาเอาชีวิตกับเสียงของคนที่ให้ชีวิตท่านเหมือนเดิ ม, มนเ น, ใ น, ในี่ยนะนี่นะอือสาธุให้ถืออย่างนั้นดีแล้วดีนะให้ถือว่ามันเป็นธาตุใช่ไหม สวยก็ธาตุไม่สวยก็ธาตุเออเพชรก็ธาตุที่คโครนก็ธาตุเอาทองไว้อย่างไงนะแล้วถ้ามันโกรธมาก็เออมันก็ธาตุ <laughs> ไม่โกรธแล้วนะสาธุดีแล้วอย่าเสียใจกันแล้วกันอย่าน้อยใจกันแล้วกันอ่าไม่โกรธแต่น้อยใจไม่โกรธแล้วนี่นะไม่เผาที่อื่นนะเผาแต่ภ า, ายในก็พอนี่นะไม่ลามแล้วนะสมไว้ในอกนี่แหละ ฝ like um. <laughs> <the annat avic show> ันย like ังน้อยใจเลยนะไม่โกรธละเพราะเขาไม่อุปถัก์คนไข้นี่แหละเลยสีใจเลยอ่ะเห็นไจิตก็ตั้งเฉยดำรงอยู่ในภายในเนี่ยนะผลวิเศษดีแล้วได้ยินเสียงด้วยหูดมสูดดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้น ถูกต้องโพธพาด้วยกายรู้แจ้งธรมรมอารมณ์ด้วยใจแล้วกายของผู้นั้นก็ตั้งเฉยอยู่ทั้งในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพาลมเนี่ยนะธรมรมอารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจจิตก็ตั้งเฉยดํารงดีอยู่ในภายในพ้นวิเศษดีแล้ว น, นะไม่มีใจเกาะเกี่ยวไม่มีใจชิงชังกับทุกอารมณ์เนี่ยนะเห็นรูปด้วยจักสู่ก็ย่อมไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง ไม่หลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไม่โกรธในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธไม่เศร้าหมองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งควา ม, มเศร้าหมองนะนะไม่ซึมเหมือนนเถอะไม่มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาได้ยินเสียงด้วยหูสูดดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธภาภะด้วยกายรู้แจ้งธรรมอารมณ์ด้วยใจแล้ว ย่อมไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองไม่หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงไม่โกรธในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธไม่เศร้ามองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้ามองไม่มัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาบุคคลนั้นน่ะเป็นประมาณแต่เห็นในรูปที่เห็นเป็นประมาณแต่ได้ยินในเสียงที่ได้ยินนะเป็นประมาณแต่ทราบในกลิ่นที่ทราบ เป็นประมาณแต่รู้แจ้งในอารมณ์ที่รู้แจ้งก็งคือว่าไม่มีราคะโทสะโมหะในชาวนะที่รับอารมณ์ทั้งทวหกทวารเนี่ยนะเอาคิดยังไงไม่มีราคะเมื่อเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้โผลพระรู้ธรรมอารมณ์อันะไอ้ไม่โลภก็พอได้ไม่โกรธอะ่ะแล้วไม่หลงในอารมณ์นั้นน่ะคิดยังไงเอ่ะนะเพราะฉะนั้นคิดไม่โกรธก็ด้วยอะไรอธิศีลสิกขานะไม่โกรธด้วยที่สีลไม่โลภด้วยอธิจิตตสิกขา ไม่ลงด้วยอธิปัญญาสิกขาเนี่ยเรียกว่าถือประมาณในการเห็นประมาณในการฟังประมาณในการทราบประมาณในการรู้แจ้งนะนะสมัยใหม่นิยมแปลว่าสักแต่ว่านะไม่ใช่สักแต่ว่ากลายเป็นว่านั่งเป็นซูบูรไปเลยเนี่ยนะไม่ใช่ว่าข้อปฏิบัติในาศาสนานี้ทําตัวซูบูร์ไม่มีสิกขาสักอย่างไม่ใช่แต่หมายถึงว่า เพียงประมาณแต่เห็นได้ยินทราบรู้รู้แจ้งเนี่ยก็คือไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองและลุ่มหลงไม่กำหนัดด้วยอธิจิตติสิกขาไม่ขัดเคืองด้วยอธิศิลสิกขาไม่ลุ่มหลงด้วยอธิปัญญาสิกขาสรุปว่าพิจารณาเห็นอริยสัจในทุกอารมณ์นั่นแหละ